สดมนทุกเชา้าเราก็สาธยายเรื่องของทุกข์มีการลำดับหรือพรนน า, นาความทุกข์ลักษณะต่างต่างตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวนะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลาพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ที่พรันานามาตั้งแต่เช้าเลยนะอันนี้เนี่ยเพื่อเตือนใจให้เราลึกถึงความจริงความจริงก็มีทั้งสุขและทุกข์นะแต่ว่าความสุขนั้นเนี่ยเรา ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่คนแสวงหาอยู่แล้วแต่ความทุกข์ทางาที่คนมักจะมองข้ามไปการที่พูดถึงความทุกข์ในบทสวดมนก็ดีหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตปรปิฎกซึ่งมีมากมายก็ดีเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อให้เรารู้สึกหดหู่ท้อแท้กับชีวิต แต่เพื่อให้เราได้เห็นความจริงให้เราได้เห็นว่าชีวิตของเรามีปัญหาอย่างไรบ้างรู้ไปทำไมรู้ก็เพื่อที่เราจะได้หาทางออกจากทุกหาทางออกจากปัญหาถ้าเรารู้จักทุกดีเรารู้จักปัญหาอย่างรอบด้านเราก็จะเห็นว่า มันเกิดจากอะไรถ้าเราไม่รู้จักทุกไม่รู้จักปัญหาอย่างถีท่วนเราก็จะไม่รู้หรอกนะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราก็หาทางออกจากทุกหาทางออกจากปัญหาได้ในบทสวดมนต์ทวัดเช้าจะมีประโยคหนึ่งซึ่งสําคัญมาก เป็นประโยคสั้นๆ น, นะว่าโดยย่ออุปท า, านขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขนะ์อุปท า, านขันทั้งห้าก็คือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นขันทั้งห้านเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเสื่อมสลายไปนะ แต่เมื่อเราก็ตามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันเราก็จะเป็นทุกข์ตามไปด้วยนะขันทั้งห้าซึ่งหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมและนามธรรมเท่าที่เรารู้จักเนี่ยมันย่อมเสื่อมสลายไปนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์มันตกอยู่ภายใต้ภาวะที่บีบคั้นขัดแย้ง ทำให้มันไม่จีรังยั่งยืนถ้าเราปล่อยมันเฉยๆนะ่มันก็เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติแต่พอเราไปยึดมันเข้าเราก็จะพลอยเป็นทุกข์ไม่วันนี้ก็วันหน้าแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แต่เราไม่เป็นทุกข์อันนี้หมายถึงทุกข์ใจนะ เช่นร่างกายเนี่ยนะร่างกายนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ก็คือว่ามันมีแต่จะแก่มันมีแต่จะชารามันมีแต่จะเจ็บจะป่วยนะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่สามารถจะเป็นเด็กไปถาวรตลอดกาลไม่สามารถจะเป็นหนุ่มสาวไปตลอดกาลได้ในสุดก็ต้องชาราถ้าเราไม่ยึดมันถือมันกับมันไม่ยึดมาถือมันกับร่างกายนี้ เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายนี้ก็เสื่อมโทรไปเจ็บป่วยไปแต่ใจไม่ทุกนะแต่เมื่อแต่ก็ตามที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันว่าเป็นเราเป็นของเราถึงเวลาที่กายเสื่อมไปเรียกว่ากายทุกเนะี่ยใจเราก็จะทุกตามไปด้วยที่จริงไม่ต้องรอให้มันแก่ต้องเสื่อมหรือมันเสื่อมไปนะ บางทียังไม่ทันแก่ไม่ทันเสื่อมหรือชราเลยแต่มันก็เป็นทุกข์ละเพราะความปวดความเมื่อยนะความปวดความเมื่อยนี่ก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายนี้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับความปวดความเมื่อยใจไม่ทุกข์นะถ้าดูดีๆให้ความปวดความเมื่อยของกายเนี่ยถ้าเราไม่ไปยึดมั่นกับกายนี้ไม่ไปยึดมั่น กับความปวดความเมื่อยหรือที่เราเรียกว่าเวทนาใจไม่ทุกันนะมันทุกแต่กายแต่ใจไม่ทุกใจก็เป็นปกติได้ด้วยนี้แหละนะถ้าหนึ่งกล่าวว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกนะข์นะขันธ์ทั้งห้ามันเป็นตัวทุกโดยธรรมชาติเหมือนกับไฟที่เหมือนกับทานติดไฟ ผ่านก้อนแดงๆงถ้าเราไม่จับมันไม่ไปกรรมมันเราก็ไม่ทุกข์มือก็ไม่ลวกไม่ถูกลวกฐ่านก้อนแดงๆมันมันไม่ไปสักพักมันก็กลายเป็นเท่าฐานถ้าเราเพียงแต่ดูมันเฉยเฉยมันก็กลายเป็นเท่าฐานไปในที่สุดแต่ถ้าเราไปกรรมมันเข้าเราก็เจ็บเราก็ปวดคันทาเป็นอย่างนั้นแหละ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับ่านก้อนแดงๆมันเหมือนกับของหนักหินถ้ามันวางอยู่กับที่เราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เราไปแบกมันเมื่อไหร่เราทุกทันทีเพราะนั้นคําำว่าอุ ป, ปทานหรือความมั้นถือมันเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญไอ้ที่เราทุกทุกวันนี้เนี่ยโดยเพราะทุกใจนี่เพราะว่าไป ยึดมั่นถือมั่นกับขันห้าไอขันห้าที่ถูกยึดมั่นก็เรียกว่าอุปาทานนักขันนะให้เขาว่าคว่ายึดมั่นถือมั่นนี่เป็นคําสําคัญในพุทธศาสนาในคําสอนของพระพุทธเจ้าทีเดียวเพราะว่ามันเป็นที่มาของความทุกข์นะเรียกว่าเป็นสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เลยทีเดียวเหตุแห่งทุกข์นั้น ไม่ใช่ความเจ็บความป่วยนะความเจ็บความป่วยนี่เป็นทุกข์แต่ไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่คําต่อว่าด่าทอของคนรอบข้างเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่โจรที่ขโมยเอาเงินเราไปหรือผู้ร้ายที่โกงเงินเราเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่งานการที่ล้มเหลว เหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่แดดร้อนอากาศหนาวแต่เหตุแห่งทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งบางทีก็มาในรูปของตัณหานะตัณหาคือความอยากบางทีท่านก็ใช้คาว่าอาวิชชาเพราะว่าเพราะมีอวิชชานี่นแหละจึงยึดมั่นถือมั่นนะถ้ามีปัญญา มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยก็วางงั้นเวลาเรามีความทุกข์นนะหมายถึงทุกข์ใจนะลองสาวไปดูเิอะนะลองหาไปดูเถอะก็จะพบว่ามันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเริ่มตั้งแต่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่เลวร้าย ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่นึกถึงมันเราก็ไม่ทุกนะไม่ว่าจะเป็นคำต่อว่าดาต อ, อติชินนินทาของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปหรือแม้แต่บ้านที่ถูกไฟไหม้รวมทั้งคนรักที่จากไป จะเป็นพ่อแม่หรือลูกก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตไปแล้วนะถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นหรือไปนึกถึงมันด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์นะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราไม่ไปนึกถึงมันเราก็ไม่เกิดความกังวลไม่เกิดความวิตก นี่สินที่ยังจ่ายไม่ครบนะหรือว่ากาหนดงวดที่จะต้องชำระผ่อนบ้านนะหรือว่าวันสอบของลูกนะที่จะต้องเข้าหมหายเทยาลัยพอเราไปนึกเราก็วิตกแล้วว่าลูกจะสอบเข้าหมายเทยาลัยได้ไหมกังวลแล้วว่าเราจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายนะบางทีก็ไป วิตกกังวลกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะที่ยังนิ่งสนิทหรือว่าทำท่าจะย่าแย่ลงด้วยซ้าเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่พอนึกถึงเข้าก็ทุกข์ไอการที่ไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันดึงมาอยู่ตรงนี้ มาอยู่ที่สารามาอยู่ที่การฟังคำบรรยายของธรรมามันจะมีอะไรที่ต้องทุกหรือเปล่านะก็ไม่มีอะไรที่ต้องทุกนะะความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่นะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนความทุกข์ใจแปดสิบเก้าสิบเอร์เซน์เนี่ยนะมันก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นในอดีตที่ผ่านไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่ก็มีนะที่ที่เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีนะเช่นถ้าเกิดมีเสียงดังมีเสียงคนพูดคุยอยู่ที่ใต้ถุนหอไตรนะมีคนพูดคุยกันข้างๆเรานะถ้าใจเราไปจดจอ่ออยู่กับเสียงนั้นเราก็จะทุกข์เราก็จะลาคาญ และจากลำคาญก็จะกลายเป็นขุนเคืองและถ้ายัางจ ด, จ, ดจอดจ่อยึดมั่นถือมั่นต่อไปก็จะเป็นก็จะกลายเป็นความโกรธนะอันนี้เราทุกเพราะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ปัจจุบันนะหรือว่าขณะนี้มีความปวดความเมื่อยถ้าใจเราไปจดจ่อกับมันนะเราก็จะยิ่งทุกขนะ์ไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วยอย่างที่ว่ามาแต่ถ้าเกิดว่าเรา จดจ่อใส่ใจอยู่คําพูดของอาตมาเนี่ยถ้ามีสมาธิกับการฟังนะบางทีใจมันลืมไปเลยนะคือจะไม่รู้สึกปวดเพราะว่าใจเนี่ยมันวางความปวดตอนนั้นจิตเนี่ยมาอยู่กับการฟังคําบรรยายในภาวะนัน้ขนขณะนั้นจิตก็จะวางความปวดความเมื่อยลงไป ความปวดความเมื่อยยังมีอยู่นะกับกายแต่ว่าใจไม่รับรู้ด้วยเหมือนกับลืมปวดนะอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางเหมือนกันนะปล่อยวางความปวดคนไข่าบางคนเป็นมะเร็งปวดมากยานี่มอร์ฟีนให้ไปแล้วก็ยังไม่พอขออีกหมอบอกว่าให้ไม่ได้แล้วเพราะว่า ต้องให้ครั้งละสามชั่วโมงคนไข้ยอยากจะขอทุกสองชั่วโมงคนไข้ยอยากจะขอทุกชั่วโมงเลยหมอให้ไม่ได้เพราะมันมากเกินไปแล้วแต่พอมีคนมาชวนทำสมาธินะมาแนะนำให้ทำสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะปรากฏว่าสามารถจะนั่งได้อย่างสงบ เพราะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกปวดที่ไม่รู้สึกปวดไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันหายปวดแต่เพราะว่าใจเนี่ยมันวางความปวดลงไปใจไม่ไปรับรู้ความปวดของกายแล้วไม่รับรู้ความปวดที่กระดูกแล้วเพราะตอนนั้นจิตเนี่ยมันมาอยู่ที่ลมหายใจอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางปัจจุบันนะปล่อยวางความปวด ที่เกิดขึ้นหรือเป็นอารมณ์ในปัจจุบันแต่ถ้าปล่อยวางไม่ได้ไปยึดมั่นถือมัน่นกับมันก็ทุกข์นะทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพูเจ้าเนี่ยท่านสอนเนี่ยท่านได้สอนท่านสอนให้ปล่อยวางทั้งอดีตปัจจุบันอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอย่างที่พูุ้ทธเจ้าได้สอนพร ะ, พร ะ, พระนันทิยะว่าเนี่ยให้วางทั้ง ข้างหน้าข้างหลังและถามกลางหมายความว่าให้ปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ใช่ปล่อยวางแต่อดีตและอนาคตทันนปัจจุบันก็ต้องปล่อยวางด้วยนะแต่ปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปิดหูปิดตาหมายถึงว่ารับรู้ได้ยินแต่ว่าศัก์แต่ได้ยินศักิแต่ว่าเห็นไม่เอาไปปรุงแต่งต่อแล้วก็ไม่ไปยึดมันถือมัน ความพุกอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราปรุงแต่งนะบางทีสิ่งที่ปรุงแต่งก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันได้เหมือนกันนะอย่างที่เล่านะเมื่อวันสองวันก่อนผู้ชายคนหนึ่งไปจะเดินทางจะขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานก่อนที่จะขึ้นรถนะก็ตกกระเป๋าพบกัว่า โทรศัพท์หายแต่ก่อนนี่ปกติในกระเป๋านี่จะจะเก็บโทรศัพท์ไว้ตกกระเป๋าไม่เจอโทรศัพท์ก็เชื่อเลยว่าเนี่ยมีคนออกไปมองไปรอบตัวก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะท่าทางมีพิรุษเมื่อสักครู่เังเดินเฉียดใกล้เลยก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเข้ า, าไป ก็ไปล็อกตัวเขาทันทีนะไปล็อกคอเขาบอกว่าเอากระเป๋ามากระเป๋ามาเอ้ยเอาเอ า, เอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูมาก็าบอกโทรศัพท์อะไรผมไม่รู้เรื่องโทรศัพท์กูไงนะค้นตัวไม่เจอโทรศัพท์ของตัวเอง mm. ก็เลยเชื่อว่าคงมีอีกคนหนึ่งสมรู้รวมคิดมาร่วมด้วยเอาโทรศัพท์ไปให้เขาไปละจะได้ไม่มีหลักฐาน ก็เลยเอาโทรศัพท์ของชายคนนั้นแหละโทรเข้าเบอร์ของตัวบอกกัว่าติดนะก็ไปก็เลยพูดเลยเนะี่ยเอาโทรศัพท์กูมาเดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์กูมาเดี๋ยวนี้บอกดว่ามันมีเสียงเป็นเสียงผู้หญิงนะบอกว่ามาเอาเลยมาเอาเลยนะกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้นะโทรศัพท์เธออยู่ที่บ้านหนระือไม่ที่บ้าน กลารเป็นว่าผู้ชายคนที่ตัวเองล็อกคอนี้ไม่ได้ขโมยที่จริงตัวเองไม่ได้ไม่มีใครขโมยโทรศัพท์ของตัวไปนะตัวเองลืมต่างหากแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตบกระเป๋าตัวเองแล้วไม่เจอโทรศัพท์เนี่ยมันก็เกิดการเชื่อการด่วนสรุปทันทีว่าเนี่ยมีคนขโมยโทรศัพท์ตัวเองไปมันเป็นความคิดนะมันเป็นความปรุงแต่งถ้าไม่ไปยึดมั่นถือมันกับมัน นะก็ไม่ไปทำไม่ไปล็อกคอเขาจนหน้าแตกนะแต่นี่พอไปยึดมั่นถือมั่นกับความคิดปรุงแต่งของตัวมันก็เลยไปทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรื อ, อยหญกรณีที่เล่าในที่ลูกเนี่ยไปคิดว่าพ่อนี่ซึ่งเป็นมะเร็งปอดเนี่ยยังไม่เลิกสูบบุหรี่พอเห็นกลนบุหรี่นะ ตรงระเบียงในห้องที่พ่อนอนรักษาตัวอยู่นะก็ด่าว่าพ่อว่าไม่ไม่รักษาคํามั่นสัญญาพ่อก็บอกพ่อก็ปฏิเสธว่าไม่ได้สูบเขาก็ยังยังยืนกรานว่าเนี่ยพ่อเนี่ยทำผิดแล้วไม่ยอมรับยังโกหกอีกด่าว่าพ่อเสียหายมารู้ความจริงตอนที่พ่อตายไปแล้วว่าจริงๆไอ้ก้นบุหรี่นั้นเนี่ยมัน ไม่ใช่พ่อสูบนะแต่มันมาจ่าห้องข้างบนห้องข้างบนีเขานนสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงมาลมมันก็พัดเข้ามาอยู่ในระเบียงมื่อรู้ความจริงเขาก็สายไปแล้วพ่อตายไปแล้วกวยขอโทษไม่ได้ก็เสียใจอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ปรุงแต่งผู้คนจํานวนมากนี้เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้นะ ไอตอนที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยังไม่เป็นทุกข์หรอกแต่ว่าพอทำในสิ่งที่เลวร้ายไปแล้วแล้วมันเกิดผลตามม า, มาถึงค่อยเกิดทุกข์บางทีก็แก้ไขได้ทันแต่บางทีก็แก้ไขไม่ได้นมันทำไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไปเชื่อความยึดมั่นถือมัน่นเพราะไปเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะไปด่วนสรุปเพราะไปยึดมั่นถือมั่นใน ความคิดเหล่านั้นนอกจากความยึดมั่นถือมั่นในอดีตในอนาคตในปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยอยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนาที่เป็นต้นต่อของสิ่งทั้งปวงนะก็คือความยึดมั่นในตัวกูของกูความยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูอันนี้สําคัญมาก เวลามีความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยคนเนี่ยก็จะยึดมั่นกับความคิดนั้นว่าเป็นของกูเวลามีอะไรมีโทรศัพท์ได้รถยนต์ได้เงินมาก็ไปยึดมั่นว่าเป็นของกูของกูไอตอนยึดมั่นเนี่ยไม่ทุกนะแต่ว่าพอทําไปตามความยึดมั่นถือมั่นหรือพอสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นมันเสื่อมสลายไปเนี่ยอันนี้ ทุกเลยอย่างเช่นยึดมาถือมาในร่างกายนี่ว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยพอร่างกายมันเสื่อมสลายไปร่างกายไม่ถึงไ ม, ไม่ทันเสื่อมสลายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนะหรือแค่ปวดเมื่อยท่านนี้แหละมันทุกเลยนะทุกใจทุกทั้งกายทุกทั้งใจเวลาโทรศัพท์นะเสียหรือว่ารถยนต์เกิด ถูกคนขีดควรนะก็โมโหเป็นทุกข์อันเนี้ยก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรายิ่งมีคนขโมยไปนะบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราวางใจถูกนะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันนะใครเอาไปก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ หรือถึงจะยึดมันถือมั่นแต่ว่าก็ไม่ยึดมั่นว่ามันไม่ยึดมันถือมั่นเมื่อมันเป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยวางหายก็หายไปหายแต่ของนะแต่ว่าใจไม่หายความสุขไม่หายไปด้วยก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้ปกติได้ตอนที่น้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่ก็มีคนสูญเสียทรัพย์สมบัติไปมากเพราะถูกน้ำพัดพาไปหรือว่าจ ม, จมน้า ก็บางคนก็เสียใจมากเสียใจไม่พอเสียจริต ด, ด้วยบางทีก็เสียชีวิตเพราะค่าตัตายแต่ก็มีบางคนที่ทำใจได้ถ้ามีคนนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยน้ําท่วมนี่มันก็มาสอนให้ค่อยเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อย มันมา อ, อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวตอนที่ไม่เกิดน้ำท่วมนี่ก็ไม่เห็นนะแต่พอน้ำท่วมพัดพาเอาข้าของไปหรือว่าทรัพย์สมบัติจมน้ำนะั้นมันก็เห็นเลยนะว่าเออไม่มีอะไรเป็นของเราเลยบางคนก็พยายามกู้เอามันเอามันเอามันขึ้นมานะบางคนก็กอดมันเอาไว้นะเหมือนกับสมบัติถีบสมบัติที่ ตกลงไปในทะเลบางคนก็ห่วงมันเสียดายโดดลงไปไปกอดมันเอาไว้ด้วยความหวังว่าจะกู้มันขึ้นมาจากทะเลได้อย่างนี้ตายเปล่าเสียทั้งทรัพย์นะเสียทั้งชีวิตด้วยเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกู้ของกู้าคนเราถ้าไม่รู้จักไม่รู้จั ก, ไ ม, จกไม่รู้จักวางนะมันก็จะ กลายเป็นธาตุของทรัพย์สมบัติกลายเป็นธาตุของร่างกายร่างกายเราเนี่ยถ้าเราเป็นนายมันนะเราไม่ทุกข์อ่ะแต่ถ้าเราเป็นธาตุมันเนี่ยเป็นทุกข์ทันทีเพียงแคนะ่เห็นสิวไม่กี่เม็ดนะเพียงแค่ผิวแห้งผมแตกปลายก็ทุกข์ละดีนี้ทุกข์กันง่ายเลยเกินนะทั้งที่ไม่ทันเจ็บไม่ทันป่วยเลยนะแค่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายนี่ก็โอ๊ยกินไม่ได้หนอนไม่หลับ พยายามปรุงแต่งมันหารู้ไหมว่าเนี่ยเรากําลังเป็นทาตมันและที่เป็นทาตุพไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรที่เรายึดมั่นมาเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันทันทีเลยยึดมั่นถือมั่นว่าเพชรนินจินดาอัญมณีเป็นของเรานะพอมีคนจะมาป้นมาจี้มาเอาไปไม่ยอมนะหวงแหนมันอยากจะรักษามันเอาไว้ ก็เลยฮึดสู้นะโจรก็เลยยิงตายหรือแทงตายนี่แล้วว่ายอมตายเพื่อรักษาทรัพย์ท่พนระพุทธเจ้าสอนว่ายอมสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตนะแต่คนจำนวนมากนะยอมสละยอมรักษายอมสละชีวิตเพื่อรักษาทรัพย์เพราะอะไรเพรายึดมันถือมั่วว่าเป็นของเราเป็นของเราบางทีไฟไหม้เนี่ยแทนที่จะ อ่ารักษาตัวให้รอดนะกลับโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อที่จะเอาโฉนดเอาเอาเพชรนินจินดาวมากลัวมันกลัวมันแปดเปื้อนกลัวมันเสียอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นของมันไปแล้วะไม่ใช่มันเป็นของเราอันที่เราทุกนะลองสํารวจดูนะเวลาเราทุกใจเนี่ยเป็นเพราะไปยึดมัน่นถือว่าเป็นเราเป็นของเรานะแม้กระทั่งเวลาคน ต่อว่าด่าทอเราทำไมถึงทุกข์นะเพราะไปยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวตนในใจก็คิดแต่ว่าเขาว่ากูเขาว่ากูถ้าลองคิดใหม่ว่าเออที่เขาพูดมาจริงไหมที่เขาพูดมาถูกไหมนะไอ้ความทุกข์ก็จะน้อยลงแต่เพราะใจมันวนเวียนอยู่กับอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นอะไรมาแตะไม่ได้ไม่ยอมให้อะไรมาแตะตัวกูของกู ไม่ยอมให้อะไรมาแตะตัวตนงนั้นเพียงแค่ลมป่าไม่กี่คำเนี่ยก็สามารถทำให้กินไม่ได้นอะนไม่หลับทำให้ป่วยทำให้ไข้ขึ้นทำให้ความดันสูงได้นี่เพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนแท้แต่ถ้าปล่อยวางมันได้นะก็จะสบายใครพูดอะไรมาก็ช่างแถนได้ไประโยชน์จากคำพูดของเขานะคือเอามาใช้เอามาพิจารณาว่ามัน ที่เขาพูดมาจริงไหมนะมีประโยชน์ไหมบางทีคนเราเนี่ยพูดธรรมดาหรือสอนธรรมดาธรรมดามันไม่ทำให้คนคนเรานี่ปล่อยวางได้นะบางทีต้องเจอเหตุร้ายอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วนะปล่อยวางในทรัพย์สมบัติได้เพราะ เ, าเมื่อเกิดไฟเมื่อเกิดน้าท่วม น้ำท่วมก็ทําให้รู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่เอบางคนปล่อยวางในร่างกายเนี่ยเพราะว่าถูกน้ํำกรดสาดหน้าอย่างเรื่องของเค้กเนี่ยที่พูดเล่าเมื่อสองสมันก่อนแต่ก่อนนี่หลงไหลในหน้าตาของตัวพอโดนน้ําคนผู้ชายสาดน้ํากรดใส่หน้าก็เป็นทุกข์มากอยาจะฆ่าตัวตายนะ แต่ว่าตอนหลังก็ทำใจได้เพราะได้เรียนรู้ว่าเออร่างกายหน้าตามันไม่เที่ยงนะถึงแม้ว่าไม่โดนน้ากรดสาดไม่เสียโฉมวันนี้วันหน้ามันก็ต้องเสื่อมต้องเสียไปเพราะความแก่ความชราถูกน้ำกรดสาดแทนที่จะโกรธผู้ชายที่สาดน้ำกรดกับขอบคุณเขาที่ทำให้ได้เรียนรู้การปล่อยวาง ปล่อยวางอะไรปล่อยวางหน้าตาของตัวแล้วก็ทําให้เขาปล่อยวางเรื่องอื่นด้วยตอนหลังนี้ใครจะมาพูดใครจะมาวิจารณ์ใครจะมานิ น, า น, นทาเขาก็ไม่ทุกข์ละเพราะเขาได้เรียนรู้นะจากเหตุร้ายนะอันนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อวานนะว่าในเคราะห์มีโชคนะถูกน้ำกรดสาตนะแต่ว่าในสุดก็เกิดปัญญาขึ้นมา ทําให้ใจนี่ปล่อยวางได้ให้ลองพิจารณาดูเถอะนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยเมื่อพิจารณาไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นนะไม่ว่าจะเป็นยึดมั่นถือมั่นในอดีตในอนาคตในปัจจุบันในความคิดปรุงแต่งโดยเพราะความยึดมั่นในตัวกูของกูนะไม่ว่า สิ่งที่ยึดมั่นน่จะเป็นทรัพสมบัติจะเป็นความคิดนะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงนะเช่นตัวกูของกูเนี่ยตัวกูเนี่ยมันไม่มีจริงนะแต่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไปหลงคิดว่ามันมีไอ้ตัวกูนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่คนเนี่ยไปหลงเชื่อว่ามันมีจริงอันนี้เพราะเพราะอาวิชชาพราะไม่เห็นความจริง ดยเหตนี้เนี่ยผู้เจ้าเนี่ยถ้าจะสรุปคําสอนของพระองค์เนี่ยในเรื่องการเป็นอิสระจากความทุกข์นะก็สรุปด้วยข้อความที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นเป็นพุทธภาษิตนะซึ่งสรุปนะถึงเหตุหรือว่า สาเหตุของการพ้นทุกขนะ์จะพ้นทุกข์ได้นี่ก็ต้องรู้จักวางแต่คนเดี๋ยวนี้นี่อย่าว่าแต่วางปล่อยวางกิเลสปล่อยวางความโกรธปล่อยวางอ็จิตอนาคตเลยนะแค่ปล่อยวางโทรศัพท์ก็ยังไม่ยอมวางกันนะเวลากินข้าวเนี่ยก็ยังถือโทรศัพท์กำโทรศัพท์ไว้แน่นนะ เวลาบางทีแมกก้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำก็ยังกำเอาไว้มีหลวงพ่อหนึ่งท่านบอกท่านสอนโยมนะบอกวางวางบ้างเถอโยมโยมก็ถามว่าปล่อยวางความโกรธไปวางกิเลสใช่ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกป่าหรอกวางโทรศัพท์ของแกต่างหานะเพราะว่าขณะที่ฟังเทศน์ก็ยังจำโทรศัพท์ไว้แน่นเลย แค่วางโทรศัพท์ก็ยังวางไม่ได้นะในจะจะวางกิเลสวางความโกรธนี่วางความคิดปรุงแต่งยิ่งยากใหญ่อันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นเคราะห์นะของคนสมัยใหม่คนสมัยใหม่นี่ก็มีโชคนะมีเทคโนโลยีมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นเวลาทุ่นกำลังทุ่นแรงกายนะคนสมัยก่อนก็คงจะอิดชานะแต่ว่าในโชคก็มีเคราะห์นะ ในความโชคดีของคนสมัยใหม่มันก็มีคราคือมันไปยึดติด ก, กับสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเทคโนโลยีแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์นะอันนี้รวมไปถึงเสื้อผ้านหน้าผมด้วยเดี๋ยวนี้ก็ติด ก, กันมากยึดติด ก, กันมากและล้วนแต่เป็นเรื่องที่หยาบๆทั้งนั้นเรื่องที่หยาบนี่ยังปล่อยวางไม่ได้ แล้วเรื่องละเอียดอ่อนนะเช่นกิเลสอวิชชาความยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูเนี่ยจะวางได้อย่างไรไอตัวกูของกูนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะมันละเอียดอ่อนยิ่งกว่ารูปธรรมทั้งหลายที่พูดมาสิอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนะของวิชาชีวิตนะวิชาชีวิตเนี่ยไม่ได้สอนอเฉพาะเรื่องความสุขความทุกข์ ว่ามันได้แก่อะไรบ้างเท่านั้นนะถึงที่สุดก็จะพาเรามาสู่ความจริงที่ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วอุปสรรคของความสุขมันคืออะไรนะถึงที่สุดแล้วก็คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนี่แหละนั้นถ้าเราไม่รู้จักไม่เท่าทันนะก็จะหลงจมอยู่ในความทุกข์นะแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะ มีความสะดวกสบายเท่าไหร่แต่ว่าใจก็ยังร้อนใจก็ยังทุกข์ทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะแล้วก็พยายามหาทางออกจากมันด้วยการเพิ่มพูนเจริญสติให้มากขึ้นเจริญปัญญาให้งอกงามมากขึ้นเพราะสติและปัญญานี่แหละที่จะนําพาให้เราออกจากทุกข์ได้อย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์ ทีแรกเห็นทุกด้วยเห็นทุกด้วยสติก่อนเช่นมีความกลัวเกิดขึ้นมีความเศร้าเกิดขึ้นมีความปวดความเมื่อยที่กายที่ใจอธิกายก็เห็นมันดูมันไอการเห็นด้วยสติก็ทําให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นความกลัเกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้โกรัวเห็นความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอันนี้พราสติเมื่อเห็นมันก็พ้นทุกข์ได้แต่เป็นการพ้นทุกข์ชั่วขณะ เออเมื่อไหรขาดสติเมื่อไหร่ก็ทุกข์ใหม่จนกว่าจะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเลยนะขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมล้วนแลเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่น่ายึดถือเหมือนฐานก้อนแดงเหมือนหินของหนักเมื่อเห็นเช่นนี้เนี่ยมันก็ไม่ไปยึดเมื่อไม่ไปยึดมันก็พ้นทุกข์ สิ่งตามมาคือความสงบเย็นนะสำคัญมากนะคำพูดเนี่ยของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก่อนที่ท่านจะมรณภาพเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นทุกข์ได้เพราะสติเห็นทุกข์ได้เพราะปัญญาเนะีย่ยการมาปฏิบัติธรรมหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะเอาละเาช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะอ่ากลับพักพร้อมกัน